ออกจากนี่ไป<ม>ก็ถวายพระเพลิงแล้วก็ไปร่กับหลวงปู่เทศถึ้งหลเป้งในภูเก็ตพังงาสามพรรษาแล้วก็ขึ้นมาอยู่อำเภอคำเชียงอีอี 4, สี่พัรษาในสมัยหลวงปู่มหาเป็นหัวหน้าอยู่นี่ 3, สามพันษาอยู่บ้านห้อยทรา ย, ายอยู่อำเภอคำเชียงอีมาอยู่ในที่นี่ก็ขึ้นมาอยู่นี่มัน แต่ 2,500 เบ้างบ้างปลาย 2,500 เบื้องต้นก็จำพรรษาที่ภูเก้า 2,500 เบื้องปลายก็มาจําจําอยู่ที่นี่แต่วัดนี้เขาตั้งมานานแล้วแต่วัดนี้เขาตั้งมานานกว่านั่นแหละแต่ไม่มีพระแต่ไม่มีพระแต่ข้างบนยังไม่ตั้งดอกต้องนับอายุเอาแต่พระพุทธรูปองค์นั้นแหะองค์นั่นอาตมามาได้ทําดอกองค์ข้างล่างต้องนับอายุแต่ 2,400 เข้มเข้มห้า ที่หลวงปู่ฟั่นมาพักหนูเยดคืนเขาเอาเนมิตร ก, กนามอันนั้นมาพักเราท่านก็ไม่ได้สร้างอะไรเราท่านเลยไปเอาเนมิตะ ก, กนามอันนั้นมาเป็นนามวัดแต่ 2,475 แต่ยุคลงปู่ที่มาอยู่นี่ 2,500 ต่อจากนั้นมาก็ ม, มีพระไปไมามาอยู่แต่ว่าไม่มีผู้ใดอยู่เพราะมันอดน้ำน้ำนี่ต่อมาจากนต่อมาจากกูอย่างเดียวนะ สกิโลทุกวันนี่อ๋อถูกแ้วอยู่ในชีวประวัติพอแล้ว <Okay. S 1> มีในชีวประวัติหมดอ่านไปยันน้ำตาไหลเนอะยังไม่เคยยังไม่เคยผ่านทุกน้ำตาไหลอ่ะอ่านดูหรืออ่านชีวประวัตินี่อ่านไปให้จบเรื่องเลยไม่ต้องอ่านอ่านักรักลั่นล่ น, ลนเขาเขียนไว้ที่ไหนอ่านหมด <laughs> เขาพิมพ์ไว้ที่ไหน น้ำตาไหลอ่ะใครเก่งก็เก่งเถิดไปอ่านชีว่าตวาดคลองหลวงปู่แล้วมันต้องน้ำตาไหลล่ะที่หลวงปู่ก็มีโชคอยู่เหมือนกันถ้าหากว่าหลวงปู่เทศเส้น ล, ปลงปลาหลวงปู่มหาเส้นลงปาลปาการทําอันนี้ก็ไม่มีพยานนี่มันมีพยานอยู่หลวงปู่มหาถ้าทําไม่ถูกทีนี้ท่านก็ต้องคัดค้านหลวงปู่ห <laughs> ลวงปู่เทศก็เหมือนกันเพราะหลวงปู่เทศยังมีอยู่ หลวงปูเทพก็อ่านแล้วหัวเราะหเออมันจำได้มากทำไมมันจำได้แท้ทันหัวเราะหึ่ยเลยหลวงปู่เท ศ, เทศสติจำการที่ทาและคำที่พูดแล้วแม่นานได้นาถะกะัลนะธรรมคือทรทมที่ทททททททพึ่งสิบอย่างหนึ่งศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสองรทือละอายต่อบาปทุจริต สามอดตะปะสะดุ้งลัวต่อบาปทุจริตพาหุสจักเป็นคนจำทรงศิลปะวิทยาและคำสอนว่ากัะยาณวิตตตาความเป็นผู้มีเพื่อนดีงามโสจัตตาความเป็นผู้วาง่ายสอนง่ายข้อห้ากิงกรณียสุทักตาความขยันเอาใจใส่ของธุระของพู้ปฏิกัุสมมเหต 6. หกธรรมกามะตาความใคร่ในทำที่ชอบเก็บ วิธีเพียรเพื่อจะระความชั่วประพฤติความดีแปสันโดษยินดีด้วยผ้าโน้มผ้าหุ ม, ามอาหารที่นอนที่นั่งและยาทำมีทําได้เก้าสติจําการและคำเทพบุตรแล้วแม่นานได้สิบปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไรนี่เรียกว่าทําเป็นทีพทนททนท่พึ่งของตนยกวนาถกันละธรรมทำเป็นที่พึ่งของตนทําให้เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายดีเรียกอวริหานี่ทำมีเจดอย่าง หมันประชุมกันเนืองนิดสองเมื่อประชุมข้อผเพียงกันประชุมเมื่อถ้าประชุมข้อผ่เพียงกันเลิกและผ่อมเพียงเพื่อกันทำกิจที่สงจะต้องทำสามไม่มันหยัดสิ่งที่พระพุทธเจ้ามันมันหยัดขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงมันหยัดไว้แล้วสี่พิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือพิกรุนั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่านข้อห้าไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น6ยินดีในเสนาคณะป่าเ็ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่อาวาสเขาให้มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขทำเหล่านี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวนะพระพระมศาสดาสอนไม่มีที่แส่งไม่มีที่แส่งพระพระมศาสนาสอนไม่มีที่แส่งอรณัปากาปติปทาสูตรการปฏิบัติไม่ผิดมีอยู่สามอย่าง หนึ่งอินทรีย์สังวรสัมรวมอินทรีย์หคือระวังตาหูจมูกลิ้นมาให้ยินดียินกายใจมาให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดงถึงริมรถถูต้อผลตะคะด้วยกายรู้วยธรรมารมณ์ด้วยใจสองโภชเนมัตตันดุตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยยังอีกสีห้าคำละกินดื่มน้ำสักพอดียังอีกสี่ห้าคำจะอิ่มแล้วดื่มน้ำพอดีเรียกว่ารู้จักประมาณในการกินอาหาร ชาคติยานุโยกประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจของตนให้หมดจดไม่เห็นแก่หลับมากนักใครเอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิดเรียกว่าอปัณฑน า, าปฏิปทาสูตรปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างพระบรมศารา บ, บอกไว้หมดแล้วมันคล้ายๆกับว่าเขาปลูกผักแล้วมันก็มีปุ๋ยมาใส่มีหน้ามารด <laughs> มันงอกขึ้นน่ะสนใจในธรรมชนะธรรมทัททท้งปวง ธรรมกาวังพระโวโหตุผู้ไข้ครวรทําเป็นผู้เจริญถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ทรงงานข้ามนั่ น, นพระบรมศาสนาบอกแล้วพระกรุณาดังสาครโปรดมูประชาครมรอกสกันดารชีอทางบรนเทาทุกข์และที่สุขเกษมสารชีอทางพระนาพูานอันพ้นโศกวิโยคภัยพระเม็นประพิตประปิ ต, ปปตจักสุจริตนมนไสพระบรมศาสนา ไม่มีใครจำเหตุการณ์กรณาเท่าพอบรมศรราสนารอดในใจโลกธาตุจะเอ่ยเลยทําไมศาสนาอื่นๆเขาจึงไม่เริ่อมใสในพระพุทธศาสนาเออเพราะไม่ใช่พระพุทธศาสนาไปเขาไม่ ง, ง่ายคนไม่มีวาสนาจะไปเรื่มไสทําไมนั่นทําไมจึงมีผู้เลื่มใสน้อยนะักผู้เริ่มใสในพุทธศาสนาก็เพียงเขาโคเท่านั้นเหลือรองนั่นก็เป็นขนโค พระบรมศาสดามาแต่ละยุคละยุกก็ทําผลือไดอ้เพียงเขาโคเท่านั้นส่วนขนโคก็มอบไว้ให้พระองค์อื่นๆ น, น, นั่น น, นี่ยนาคตเอ้าเราพิจารณาดูหน่ะเราได้คนไม่ถึงสินถึงธรรมได้จนได้มานมาเป็นหนูเป็นเพื่อนล้านคนก็ไม่เท่าคนถึงสินถึงธรรมมาเป็นหนูเป็นเพื่อนหรือเป็นครูบาอาจารย์คนเดียวมันอบอุน่นผู้ที่ถือว่ามันมีบุญมีบาปมันแค่ อ, อบอุ่นไหม ไม่ไม่เป็นเครื่องอบอุ่นเดินตามหลังเราก็ไม่ไหวใจต่างคนต่างถือปืนเราก็ไม่ไหวใจเดินตามหลังยิงทิ้งปืนผมนั่นใส่ครับ <c oughs> มันก็เอาไปแบบนั้นถูกไหมนอนอยู่ด้วยกันก็ไม่ไหวใจเดี๋ยวเอาอะไรมาชอ็อตเอาไฟมาช็อตก็ได้ข่าเราก็เป็นอาหารที่นี่ไปทีนี้หยุดด้านหน้าฝนนะอ๋อผู้จัดกามวลทัศน ชอทมอทัศกรชอมอทัศร็นสุกป็นสุขป็นสุมาที่นี่มันต้องภาวนาใช่ไหมต้องเอาภาวนามาถามแล้วกระผมภาวนาไปถึงอย่างนั้นทำยังไงต้องาอย่างนั้นเอาลมให้จะเข้าออกอันนั้นอุปจารสมาธินะ อนเีนั wide, two, <laughs> her her. ่งภาวนาแบบเด็กป่วยตายแน่มน่อมันจะตายมันจะมบอกว่าตายจิ่จายแล้วสมาธิพอเขามีความรู้สึกนกผมแม่ไม่มีแม่าแต่แ่ตัวเอเออตอที่ถึงแม่รักแม่เดีวขึ้นมาร้องไห้คืนแล้วนั่งภาวนาที่ข้าเหนนั่งภาวนาไปความรู้สึกว่าได้เข้าไปอยู่ในท้องแม่นั่น อู่ในน้องแม่ไว้อยู่ยังไงอหัวลงยังไงมารู้สึกยังไงเร้องไห้ลุกขึ้นมาร้องห้ร้องอะไรก็จะเหตเป็นถ้าอย่านั้นนิสัยก็มีนิสัยปัจจโยรุเพยจะกต้กุญาตาได้ทความดีมาในฟางก่อนนิสัยปัปจโยปัจโ ย, ป ย, โยเป็นนิสัยดีแล้วเหตุทะนันจึงได้สแสวงหาพระถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้สแสวงหาพระอ่ะแปลว่าสร้างบารา ม, มีมาแล้วสร้างบาีมามากแล้ว แล้วเป็นเรื่องจริงที่บาคืนนั่งไ่อยู่คืนหนึ่งนั่งภ้วนาครับเมื่อนี้เราบอกว่าแม่บอกแม่เส็จคุว่าไปรักกะปิเร้องไห้เราบอกวันนีจะไปหาที่ไปคนยกันจะทายตรงไหนเ็าพดอะไราไปทหารกเข้าไปไม่ได้เขาไปบอกเปทางข่าวในในในนืนขึ้นมาจิมันตกเลยเลยร้องไห้แตนไปหาเป็นประลัดจังหวัดแล้วนะครับ วิ่งไปหาท่านหาพิเศษบาข้กราบเรียนท่่นมาปัตตามหลักาานกี่ตัวนี้กราบท่านได้ร้องไห้ได้วแค่ประเวัญนะร้องห้าลงท่านไปยังมันตกลงไปจนกระทั่งร้องไห้่นก็บอกว่าโปรดช่ยช่วยแม่ด้วยผมรักแม่มากปีติปีติสาขตาทมาปีตินาตาไหลตายในเวลานั้นต้องไปพรมโลก ปีติไม่ใช่ความง่ายๆเนอะตายในขณะนั้นก็ไปพรหมโลกลอ่ะปีตินะอ่ะปีติความอิ่มใจมันเต็มตื้นมาด้วยความเรื่อมใสายเวลามนนาดาจัดเข้าในปุญญาภิสังขารภิสังขารคือบุญขณะคิดอันนั้นเป็นปุญญาภิสังขารเป็นปีติสาคตาธรรมาด้วยเป็นภาวนายาับหาตะพาธรรมาด้วยเป็นภาวนาอยู่ในตัว เป็นปีติอยู่ในตัวอันนั้นดีมากนะทัวนในธรมมนมนระมะ น, นั่นทัวปีติทากตาธรรมาเป็นธรรมอันมีปีติอิ่มใจเป็นกุศลเป็นกามาพัชรกุศลบุคคลมันเป็นเรื่องหรือถึงคุณพระเมดามารดาอยู่ในตัวมันก็เป็นเรื่องเทวตานุสติอยู่ในตัวหลึกถึงเทวดาเพราะเป็นเทวดาโดยสมมุติ เทพสามสมุติเทพเทวดาโดยสมุติปฏิเทศเทวดาโดยกำเนิดวิสุทธิเทพเทวดาโดยความบริสุทธิ์คือพระทหารเทพสามในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอยู่นึกถึงวิรามานามันก็เป็นสมุติเทพหรือเป็นวิสุทธิเทพก็ได้เพราะคุณวิรามานาเปียบมันคุณพระทหารนั่นนั่นถ้าอย่างน้ไปเลยไปเล นใจไว้ว่าว่าเกษตรเดือนพฤจินต้นสงานเดือนต้นธันวมแลก็อืมที่วจะละถ้าณวะนก็เป็น่ตอคว่าแล้วตั um. ้งใจว่าจะผกหนคิดว่าไม่อยู่เปดลดีใจมากกับาทกลับมาสยลมาัรัคปับ หัวใจก็มีพระพุทธธรรมพระประสงค์ปกครองมันนักออกแก่กิเลสมันปกครองถูกไหมเจี๊ยบก็บใต้หันห่นขวาหันห่นกำลังหัน่นจริงตอนนี้กรรมและผลของกรรมมันตัดสินอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่แมาเอียงเข้าวพักข้าพวกข้าหมู่ใดประเทศใดใครจะนับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่นับถือประดังาากรรมและผลของตํงาก็ไม่เข้าข้างกับใครเลย ตัดฉดเผ่เผื่อือไม่ืนถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่นับผิดพระพุทธศาสนากกนันนั่นนั่นนั่นเธอจะไปดีเดียนสักย่งไหนก็ตามกรรมและผลของกรรมตามสนองอยู่ทุกคณะกิเลยนันนันันันเราจะไปเดินขบวนตลอดทั้งพมรลกไม่กรรมและผผลของกรรมตัดสินมนุษย์มันก็ไม่ได้นั่นนั่นนั่นนั่น ป, ประชาธิปไตยก็ตามเธอถ้าไม่มีประชาธิปธรรมม์แล้วมันไปไม่รอดต่อมันไม่อยู่หัวใจของมนุษย์มาจากแห็นดินไหนก็มาเถิดถ้าคิดใจไม่เป็นธรรมก็ปกครองกันไม่อยู่นั่นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นพระพุทธศาสนาเป็นธรรมาธิปไตยไม่ใช่อัตตาธิปไตยไม่ใช่โลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยเป็นวงเส้นของธรรมาธิปไตย นั่นใ ห, หนองคลองมืองบางต่างไรต้งสูงทมหาสมุทะเลเป็นเมืองขึ้นของมหาสมุทรทะเลชั้นใดอาชีพปัตยทยทั้งฟวงก็เป็นเมืองขึ้นของทำงานที่ปัตยไทยทั้งนั้นนั่นนั่นนั่นเธอก็ทําถูกก็ไม่ถูงว่าเป็นปัญหาเนี่ยทําอะไรไม่มองดูหัวใจครับทําลําบากเหมือนกันนายช่างทิ้งดินงหัวสร้างเพชรปุ ด, ดซึ่งระดับนา้าซึ่งเครื่องวัดเครื่องตวงเอาแบบคาดคะแนน กรรมและผลของกรรมไม่เข้ากับพักใดพวกใดมีประจําโลกอู่ศาสนาไหนๆจะถือหรือไม่ถือไม่เป็นปัญหาข้อนี้แหละสําคัญมากนี่กัมมุนาวัตติโลโก้สลกเป็นแปรจากกรรมนั่นเธอจะซ่อนเล็บไวเหมือนแมวเหมือนเสือกว่าตามผลของกรรมก็าตามสนองเธออยู่นั่นนั่นนั่นนันั่นัน่ น, น, น, น, น, น, น, นสารใจสวนสารตัดสินไม่สําคัญสารไายเนาะ สารประกมและผลของกมตัดสินใส่โลกอยู่ไม่มีการวันนั่คือนั่งผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือเชื่อพระพุทธธรรมประสงค์นั่นเองก็คือเชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองก็คือผู้มีหลักนั่นเองก็คือตกหน้ามีที่จับนั่นเองนั่นก็คือมีตามองดูเหมือนกันมีตาทิพ ป, ปัญญาทิพด้วยจะไปให้คะแนนแต่หลวงปู่ล่าตาทิพเราก็ตาทิพเหมือนกันใช่ไหมอือ <laughs> ปัญญาคลินี่เรามีอิตระอยู่นั่นนั่นสิ่งเรานี้ล่ะคนทั้งหลายข้างแขนอยู่อันนี้คนแขนอันนี้เลยเนี่ถูกไหมเนี่ยมันต้องถูกจุดมันเพศวันตลอดวันยังคําไม่ถูกจุดมันมันไม่ได้ผลนี่จุดมันอยู่นี่ทุกวันเนี่ยมันรุนกันอยู่นี่นี่จะปกครองกันวิธีไหนหนอจะปกครองกันวิธีไหนก็วิธีมียังอายตวารกลัวตวาดนั่นเองเธอไม่กลัวตวาดเธอไม่มียังอายตวารวัตถุหมายจะตั้งเต็มไปท่าแผ่นดินมันก็ไม่อยู่เนี่ยเครื่องอายุทุติยัน จะทิ้งระเบิดตูมตีตูมทีมจนไม่มีใครยังเหลืออยู่ก็ตามมันก็ไปไม่รอดนั่นเนี่ยฉันจึงเล่นทํำไมได้ทำมาชิปไตยเอ้าถ้าจะเอาประชาชิปไตเป็นใหญ่เอ้ามีผู้มาว่ามาเขานิยมกันวัดโลกว่ามามีบาปไมีบุญจะเอาไหมเราไม่เอาเนอเราเราไม่เอานั่นจะเดินขบวนวัดไตโลกธาตุเนี่ยบาปไม่มีบุญไม่มีเราก็ไปไม่ไปไปด้วยมีผู้ค่าเดียวนี่เราก็ยอมตายเดียวนี่เนี่ยเอ้า เลือดเลือดทุกหยดเราจะอุทาพระพุทธธรรมพรสงฆ์นั่นมันต้องอย่างนั้นคนเราอาถารต่อความดีของตนแต่เขาอาถารต่อความชั่วของเขาเขาก็ยังอาหารพเนี่ยเราอาถารต่อความดีมันจะเป็นอะไรนั่นนั่นนั่นแมลงวันอาถรรพ์ต่อความชั่วแมลงพึ่งอาถารต่อแก่สนดอกไม้อันไหนมันดีนั่นอันไหนประชาธิปไตยดีนั่นนั่นนัเรวังเอาละสามาจุดมันอยู่นี่มันสังหมอใจลูกหลานอยู่นี่จุดมัน เพลงออกนี่เลาถูกไหมใครไปที่ไหนก็อยู่นั่นใช่ไหมจุดมันอยู่นี่ต้องเพลงออกอะแข็งแรงอยู่แข็งแรงต่อธรรมะแข็งแรงบูชาธรรมะอาจาร์แทมพอตายแล้วยังแปดทิบย์แปดทิพเอ็ดปทิเอ็ดสองพันสี่อยห้าสิบสี่น้องพูาตาทิพย์นราตาทิพย์ เออว่าตาทิพย์อันนี้ไม่ใช่หลวงปู่าตาทิพยราลวงปู่าปัญญาเนี่ยปัญญาทิพย์เนี่ยอืครลกหลานก็มีบุญบารมีถึงได้ขึ้นมาถึงที่นี่นะคะแล้วท่านก็มีบุญบารมีถึงได้สร้างมาขนาดนี้อันนั้นเอาไว้ให้คนอื่นอันนั้นเอาไว้ให้คนอื่นอ่าทาเป็นเรื่องของคนอื่นซะเะถ้าเอาาเป็นเรื่องของตนก็ วุฒระของขายของมันน so right. uh ั like? the the the ่งดมอยู่ก็หอมใช่ไหมถ้าเป็นของอื่นก็คนคนของคนอื่นก็ต้องเห็นแม่งใช่ถูกไหมเนี่ยเรื่องการติชมเอาให้เป็นเรื่องของคนอื่นนะไม่ใช่เรื่องของเราสําหรับตัวเราเป็นเรื่องของทัศนศึกษานะการติก็ดีการชมก็ดีเอาไปเรื่องของคนอื่นถูกไหมเราไม่มีสิทธิ์ใช่ไหม เราจะไปเอาสิทการที่ชมไม่ได้การติชมาชมาห้เป็นเรื่องของคนอื่นซนักเราจะไม่ผูกขาดเอาหน้าทองสารลู ก, ลกลหลานโ อ, อ้สักคาเสียนะวข้าวสารเขาบเรามศาสตร์าเป็นมหาการเรื่โควิโหาโถเมืมหากรวิาดังสากรโปรมูประชากรมะระอกค้กันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุก ร, ร์เสียงสาร ที่ทางพระนาราผ่านอันพ้นโศกโยกภัยความเบนปปิฏตะจักพุทธรักษ์ในมนลสเห็นเหตุที่ไกลใกล้ก็เจนจบประจักจริงทําจากหน้าใจ ย, ยาวฉันดันบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาาพเงมื่อระบาปบําเพ็ญบุญข้าขอประนบน้อมด้วยเศนยเก้าบางังคมคุณน้ำพุทธกาลุ่นตลอดกาลนานไปไปชุบไปชุบไปนี่พุโทโธตมัวสังโฆเออยย่อจินความก่วงๆๆใช่ไหม เออย่อๆจริงความกว้างอืมไปเป็นชุกเป็ชุกลูกหลานส้างกุศลคนบุญคนทำบุญบ่อยใจก็สูงคนขึ้นบ่อยคนทำบาปบ่อยใจก็ต่าลงบ่อยเยวะเยอะเอาหนังสือคนเรียลเรียะลเรียบไหนไหนหนังสือนี่นี่นี่ถามตอบถามตอบเอามาถามตอบเอามาเดี๋ยวเ๋ยให้เอาหนังสือสักก้อนอย่าเรียบลงอยด่วนต้องไป ถ้าทำํำถ้าใจทำให้ไม่ทําให้เกิดให้มีพระพุทธศาสนาก็ไม่มีอยู่ที่ใจพระพุทธศาสนาเป็นคําสอนยิ่งกว่าคําสอน ใ, นใดๆทั้งปวงในโลกทุกๆุค ท, ท, ทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยคําสอนพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบัญญัติธรรมบัญญัติสังฆบัญญัติตรงกันอยู่ทุกยุคทุ ก, ทกสมัยพระพุทธเจ้าองค์ใดๆมาก็มาลงเอ่ยกัน ไม่ได้คัดข้านพอร์รอกันเลยทำแต่ละวัฏราบาทเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งนั้นที่สอนว่ารัฐที่ใดๆเป็นเมืองขึ้น่องคำสอนของพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นคำสอนของพุทธศ า, านนสน า, าสอนในการปกครองก็สอนแบบอันเดียวกันขาดตัวคือให้ละอายต่อบาปให้กลัวต่อบาปเป็นสันปะครองกันอยู่ได้คือเฮนิโอคือเฮนิ ความละอายต่อบาปโอทัปะความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะปกครองโลกได้ต้องปกครองกันแบบมีบาปมีบุญถ้าปกครองกันไม่มีบาปไม่บุญก็ปกครองกันไม่ได้คุ้มครองกันไม่ได้โลกแก้ยุได้ก็เพราะถือว่ามีบาปมีบุญถ้าอย่างนั้นก็เว่งกัดกันเหมือนสุนัขทำเป็นโลกกระวานคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ ถ้าโลกไม่มียางอายตบภาบไม่มีความกวัวตบาบแล้วจะตั้งกฎเกณฑ์ไว้สักกี่ล้านข้อก็ตามมันก็ไม่อยู่ความความผิดในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับถือเป็นของหวานกันไปเสียหมดเพราะโมชากิเลศเหตุฉะนั้นการละกิเลสจึงปฏิเสธไม่ได้เพื่อให้เบาวางลงเมื่อกิเลสไม่เบาบางลงความอนหมานของโลกก็ไม่บาบางลง คราวใดกิเลสบวกกิเลสพิดบวกผิดเวรบวกเวรภัยบวกวภัยใครคราวนั้นโรคจะอนละมานคราวใดโรคสนใจในคําสอนของพุทธศาสนาคราวนั้นความอนละมานหิหวโหยของโลกก็ยุดลด่อนลงการอาบน้ามีพร่างกายมันสกปรกการ ลดหย่อนกิเลสด้วยธรรมของพระพุทธศาสนาภายในของพุทธศาสนาจึงมีการปฏิบัติกายมีการปฏิบัติใจ ก, ก็ต้องมีนิฉะนั้นแล้วก็เหลือก็นับสิบมาลุกถ้ากิเลสไม่มีการปฏิบัติให้ลดกิเลสลงก็ไม่มีเหตุฉะนั้นกิเลสมีอยู่ในใจโลกธาตุการปฏิบัติกิเลสให้ลดหย่อนลงจึงมีอะไรพระพุทธศาสนาใ น, น จะได้เลือกได้ไม่เลิกได้ก็ตามคุณค่าของพุทธศสาสนาก็มีเหนือคุณค่าอื่นๆ อ, อยู่ว่า ม, มีกรางวันกลางคืนคนพุทธศาสนาก็ไปรวมพลกันอยู่ที่พระนิพพานสัปปะไทโรการเป็นเมืองขึ้นของพุทธศสาสนาอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทั้งวัฒนธรรมทั้งอุรมณ์ขจด้วยข่าเ ข, าเข้มเทียบจะมีขีดด้านล่างก็เชี่ยไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวทั้นใดคุณค่าคําสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้น ขอพระพุทธศาสนาะโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นเหมือนเข็มทิศชี้ไปในทางทิศเหนือมันมีกลางวันกัางคืนเที่ยบในทางสูงเชี่ยมในทางลึกซึ่งก็ให้คํานึงได้หลายทางนับให้น้องคลองมึงบางต่างไรตรงสูงมหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชันใดคําสอนใดๆก็ไหลตงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผูร้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ ยิ่งอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใครจะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนก็ตามใครเจะเดินขบวนให้รถหย่อนลงก็ตามหรือไม่เดินขบวนก็ตามหรือจรเินขบวนทั่วทั้งใจโลกระท่าก็ตามพราะพุทธศาสนาก็เป็นของยิ่งใหญ่ไพศาลกว่าสพัพไตยโลกระท่าอยู่ทุกเรามีประมาณนั่นเลยนะผู้มีปัญญาสูงจึงจะยินดีของสูงผู้มีปัญญาต่ําก็จะยิดก็ ต, ต้องยินดีของต่ํา เช่นมลงวันยินดีหมดพูดเป็นต้นเช่นมะแรงพึ่งยินดีเกสรดอกไม้เป็นต้นนะมันยินดีไปคนละทางมันใจถึงไปคนละทางมันเป็นประชาธิปไตยไปคนละทางอันหนึ่งเป็นประชาธิปไตยไปทางต่ําอันหนึ่งเป็นประชาธิปไตยไปทางสูงแมลงวันเป็นประชาธิปไตยไปทางต่ำมะแรงผูดมะแรงพึ่งเป็นประชาธิปไตยไปทางสูงเป็นสังคมนิยมในทางสูงเป็นสังคมนิยมไปทางต่ำ คนเราใจถึงทุกๆท่านแต่ใจถึงทางดีก็ได CO. ้รับผลดีใจถึงทางชั่วก็ได้รับผลทั่วอยู่ที่ดวงใจผู้ทำผิดเขาก็ใจถึงมันกันแต่เขาได้รับผลผิดผู้ทำถูกก็ใจถึงทางถูกแต่ได้รับผลดีเหตุก็สร้างขึ้นที่ใจผลของเหตุก็ได้มารับที่ใจไม่ได้เกิดขึ้นในฟ้าอากาศเลยเหตุดีก็เกิดขึ้นที่ใจเหตุชั่วก็เกิดขึ้นที่ใจผลของเหตุก็ได้รับอยู่ที่ใจไม่ได้รับอยู่ที่นฟ้าอากาศภายนอก เหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าธรรมนุตตาเป็นผู้รู้จักเหตุจันรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแั่งสุขถรือนี้เป็นเหตุแั่งทุกข์อัตถนทุทาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ธรรมชาตินี้เป็นธรรมของพระสุปฏิปนโนลงโอโยที่พระพุทธศาสนาโหกขาดไม่ถือศาสดาอื่นไม่ใช่ได้อยากระเมิดสิ้นห้าไม่ใช่ได้อยากเล่นอบายงุ๊บ ไม่เสียดายอยากจะคบมิตชั่วไม่เสียดายอยากจะสาบแช่งท่านผู้ใดไม่เสียดายอยากค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้ไม่มีในคันธัสดานของพระโสดาบันเลยพระโสดาบันเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศรราสนาพระโสดาบัน ไม่ได้หมายแต่เฉพาะบวดมาหมายทั้งฆราวาสด้วยหมายทั้งเพศหญิงเพศชายด้วยไม่นิยมชั่นวันนะใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่ก็พูดรู้ขึ้นอยู่ก็พูดไม่รู้ขึ้นอยู่ก็พูดรู้ขึ้นอยู่ก็พูดไม่รู้ว่าพระธรมทั้งหลายมีอยู่แล้วไม่ได้รบเรือนไปทางใดเลยเพียงศินห้าเท่านั้นโลกก็สงบแล้วเพียงศินห้าเท่านั้นโลกก็สงบแล้ว ทำไมจึงล่วงละเมิดศินห้าก็เพราะมันล่วงละเมิดไปตั้งแต่นี่ความไม่อายแก่ใจวัตะปะความเกรงกลัวความไม่เกรงกลั ว, คว า, วาความไม่อายต่ำบาปความไม่กลัวต่ำบาปนั่นเองเจ้าก็มาเสียดายอยางล่วงละเมิดสินอย่างนั้นคือตัดสินลงในที่ใจแล้วพุทธธรรมสงทรงอยู่ที่ใจแล้วมันเป็นสีรานุสติอยู่ในตัว มันก็เป็นพุทธาธรรมาสังขารนุสติอยู่ในตัวเรศสีลังโลเกอนุตตโรศีนเป็นเยี่ยมในโลกอัธิโลเกศิรพุโณศีลมีอยู่ในโลกสัจจังโสใจอนุทยาความสัตว์ก็มีอยู่ในโลกโลกหัวใจของมนุษย์นี่เองของเทวามันธมนั่นเองไม่ใช่หัวใจของสัตว์ติเดชานศีนกับสัตว์ก็อยู่ที่แห่งเดียวกัน ถ้ามีสัตว์ก็มีศีลถ้ามีศีลก็มีสัตวคนไม่ม ja <busy Evet. S 2> ีสัตว์ศีลก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีสัตยังเมอวตารวาจาความสัตว์นั่นเองเป็นวาจาอันไม่ตายวาจาที่เป็นสัตว์เป็นวาจาอันไม่ตายสัตยังเมอวตารวาจาความสัตว์ความจริงเป็นธรรมอันไม่ตายวาจาจริงเป็นวาจาอันไม่ตายเป็นใจอันไม่ตายเหมือนกันเพราะวาจาก็ออกมาจากใจนั่ความดีคนดีทำได้ง่าย ความดีคนชั่วทำํำในยากความชั่วคนดีทำดํำในยากความชั่วคนชั่วทำํำในง่ายมีความหมายอันตรงกันข้ามตนเป็นเจ้พึ่งของตนก็คือใจเป็นเจ้พึ่งของใจคือทําเป็นเจ้พึ่งของธรรมนอกจากใจไม่มีอันใดจะทําใจให้เจริญนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทําใจให้เสื่อมนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะรักใจ นอกจากใจก็ไม่มีอะไดจะเบียดเบียนใจได้ทําดีแล้วก็มาอยู่ที่ใจไม่ได้ต้อนเข้าข้อยากเหมือนมาและโคลและกระบือทำชั่วแล้วก็มาอยู่ที่ใจไม่ได้ต้อนเข้าข้อยากเหมือนมาและโคและกระบือส่วนจะมาน้อยหรือมามากนั้นขึ้นอยู่กับการที่ทํามากหรือน้อยจะทําดีทําชั่วให้แผ่นดินแผ่นฟ้ามันก็ไม่รับมันก็มาหาเกีติใจในี่เอง ท่านทำบุญให้ท่านเพื่ออื่นพัฒานาทำไมบเนเสนาะการให้ส่วนบุญเราให้ผู้อื่นด้วยจิตเมตตาขณะจิตเมตตาโกโราุณาก็มาหาที่ใจเราท่านจะได้รับเพไม่รับก่อตามเรียกว่าทาให้ตนใจมีคุณเป็นมหันและก็มีโทษเป็นอนันต์ถ้าทําดีเพิ่มดีบ่อยๆก็มีคุณเป็นมหันถ้าทําโทษเพิ่มโทษบ่อยๆก็มีโทษเป็นอนันต์บุญก็บวกบุญอยู่ที่ใจ บาปก็บอกบาปอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกที่อื่นเหตุที่จะเกิดบุญก็สร้างขึ้นที่ใจเหตุที่จะเกิดบาปก็สร้างขึ้นที่ใจเมื่อเหตุสร้างขึ้นแล้วผลไม่ประสงค์ก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุจะปฏิเสธไปไหนก็ไปไม่รอดจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาด้านจิตใจถ้าสร้างลงแล้วก็ได้ผลกรรมส่วนควรค่าของเหตุที่สร้างขึ้นทีรวงใจ ใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาไม่มีสิ่งอื่นที่จะมาแย่งรู้หรือแย่งโง่กับใจถ้างโง่ก็เป็นใจโง่ถ้าฉลาดก็เป็นใจฉลาดไม่มีผู้อื่นที่จะมาแย่งชิงตําแหน่งเลยนะเมื่อเป็นดังนี้ศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็าดีก็รวมลงอยู่ที่ใจเป็นเอกอนิบาติในปัจจุบันน่ะจิตปัจจุบันนธรรมปัจจุบันน่จิตปัจจุบันนธรรมนั่นเอง ครบไตโรกธาตุครบแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์เช่นเราภาวนาก็เลยเรายกกระทู้อันไหนกรรมฐานอันไหนไว้ที่ในปัจจุบันแล้วก็ศีลก็อยู่ในที่นั้นสมาธิก็ตั้งมั่นในที่นั้นปัญญาก็รับรู้ในที่นั้นถ้าหนี้ออกจากที่นั้นแล้วทรงออกจากที่นั้นแล้วมันก็เป็นว่าวเชือกขาดมันก็เป็นนุ่นเปรียวไปตามลมเวลาเราภ า, ภาวนาหรือตั้งสมาธิ คือเรารวมบุญไว้ที่เป้าที่เราตั้งไว้รวมทานวัดศีรวัติภาวนาวัดไว้ลยทีนั้นรวมแปดหมืนสี่พันพุทธรรมขันธ์ไว้ทีนั้นรวมพระพุทธเจ้าทั้งหลายไหวทีนั้นรวมพระธรรมทั้งหลายไหวทีนั้นรวมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายไหวทีนั้นรวมคําสอนของพระเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระอริยสงฆ์ทั้งหลายไว้ในทีนั้นรวมความดีไว้ทีนั้นรวมมัดผลที่พานไว้ทีนั้นด้วยนะฉันคะพอใจรักใครในเป้ากรรมฐานที่ตั้งไว้ วิทย์เพี้ยนมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจฟักใยในกรรมฐานที่ตั้งไว้หุยมังสามันติต้องพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณจียางนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพี้ยนมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจฟักใยในกรรมฐานที่ตั้งไว้ วิมังสามันติดกองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ศรัท ธ, ธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้เรียเพียในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติและลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบดูในกรรมฐานที่ตั้งไว้พระคือทําเป็นกําลังห้าอย่างก็ไปเชื่อฆ่าเกลียวอยู่ที่แห่งเดียวในปัจจวัลนิจปัจจวัลนธรรมที่ตั้งกรรมฐานไว้นั่นเอง สติและเลือกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สำมั่นชั้นยะรู้ชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้นั่นเองไม่ได้เคลื่อนไปทางอื่นเลยนั่นถ้าเคลื่อนไปก็ดึงมาถ้าเคลื่อนไปก็ดึงมาถ้ารู้อันหนึ่งในปัจจุบันแล้วอันอื่นก็ต้องรู้อีกเพราะเอาปัจจุบันเป็นตัวประกันด้วยเป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาเป็นตัวประกันด้วยเอาเป็นเรือเป็นแพเอาเป็นที่พึ่งที่ได้ลึกที่ปฏิปฎิบูชาด้วย เพราะอาสติไว้เช่นั้นเอาสัมภชัญญะไว้เช่นั้นทําเป็นโลกทํามีอุปการะมากสองอย่างหนึ่งสติความระลึกได้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้สองสัมภชัญญะความรู้ตัวในกรรมฐานที่ตั้งไว้นั่นหนักหนักพูดมากามันมีมากเฉยเอาจจแค่มีนิดเดียวคาสอนพระพุทธศาสนาถ้าไม่หลงหนึ่งก็ไม่หลงสองไม่หลงสามไม่ห ล, ล, ลงสี่หลงห้าเหมืนกัน เพราะเราจะนับออกไปตั้งแตล้านแสนแสนก็นับออกไปจากหนึ่งถ้าเราจะย้อนมาก็ย้อนมาหาลักหนึ่งนั่นเองลักหน่วยนั่นเองลักหน่วยกับลักหนึ่งก็คงเป็นอันเดียวกันเพราะหน่วย1ิบร้อยพันหมื่นแสนเป็นต้นน่ะศีลมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียว ป, ปัญญามีตัวเดียวปรุงกลืนกันอยู่ในปัจจุบันหนักถึงล้านก่อละไม่สงสัย จะย่นลงมาจนถึงหลักหน่วยเราก็ไม่สงสัยไม่สงสัยทั้งถึงออกยาวเหยียบไม่สงสัยทั้งโค้งมาไว้แล้วหรือสาวมากงไว้แล้วสัพพะทุกาย่นยลงมาหาเอกทุกในปัจจุบันสัพพสุขก็ย่นลงมาเฮหาเอกสุขในปัจจุบันสัพพะอเน จ, จังย่นลงมาหาเอกอนิน จ, จังในปัจจุบัน สัพพะธาตุดินย้อนลงมาหาเอกะธาตุดินในปัจจุบันสัพพธาตุน้ำย้อนลงมาหาเอกะธาตุน้ําในปัจจุบันสัพพะธาตุไฟย่อนลงมาหาเอกะไฟในปัจจุบันสัพพธาตุลมย้อนลงล้นลงมาหาเอกะลมในปัจจุบันสัพพตายย่อนลงมาหาเอกะตายในปัจจุบันสัพพแก่ย้อนลงมาหาเอกะแก่ในปัจจุบันสัพพเก็บย้อนลงมาหาเก็บเอกเก็บในปัจจุบันสัพพเกิดย่อนลงมาหาเอกะเกิดในปัจจุบันหนึ่งเกิดหนึ่งแก่หนึ่งเก็บหนึ่งตาย รวมก็ลงที่นั้นแล้วเอาปัจจุบันเป็นพยาธจึงจะไม่สงสัยเห็นอันนี้นิ จ, จังชัดขณะคิดหนึ่งก็เห็นรอบรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกจะไมาด้วยอนนี้จังสองทะลุภูเขาเลยสองทะลุแผ่นดินแผ่นฟ้าเลยเดี๋ยวนี้เห็นทั่วทั้งใจโลกกระแแล้วขณะคิดเดียวแคปเดียวเห็นทั่วทั้งใจโลกกาะแทกแล้ว พระไตรโรกชาติเต็มไปด้วย อ, อนิจจังเต็มไปด้วยทุกขังเต็มไปด้วยอนัตตาเต็มไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเต็มไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้ น, นแล้วแปรปรวนและแตกสลายนั่นนั่นชั่พโลกย้อนโลกลงมาในปัจจุบันแล้วอดีตคืออะไรคือโรคที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือโรคที่ยังม来มาถึงปัจจุบันก็คือโรคที่กาลังเป็นอยู่นั่นอนดีตคืออะไรคือทุกที่ล่วงไปแล้ว อนาคตคืออะไรคือทุกที่ยังมาถึงปัจจุบันคือสั้งพทุกทั้งปวงที่กําลังเป็นอยู่เพราะเกิดขึ้นแปรดับอยู่หาตว่าไม่ได้อดีตคืออะไรคือคําพูดที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือคําพูดที่ยังมาถึงปัจจุบันก็คือคําพูดที่กําลังพูดอยู่อดีตคืออะไรคือจิตที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือจิตที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็คือจิตที่กําลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็คือผู้รู้ที่ยังเป็นอยู่ น่นนเพราะใดๆในโลก้วนอนิจจ์ใดๆในโลก้วนทุกขังใดๆในโลก้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยทั้งที่ไกลด้วยทั้งที่ใกล้ด้วยทั้งหยาวด้วยทั้งประหนึดด้วยทั้งสุขหุมด้วยทั้งภายนอกด้วยทั้งภายในด้วยทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยเห็นใช่ไหมทีว่า ปจุปปนัญญงอัชชตังวาวะหิตาวะาโอราดิกังวาสุขูมังวาหิหนังวาเปิลีตังวายันโทเรสันติเกวะสัพพังโรฟังเนตังมะ ม, มะเนโสหะมัสเมนะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยาธาโปตังสัมมัคปัญญายาทัตังรูปในอดีตรูปในอนาคตรูปในปัจจุบันก็ดีก็เป็นแต่สักวารูปเวทนาในอดีตเวทนาในอนาคตเวทนาในปัจจุบันก็กกตามก็เป็นแต่สักวเวทนา ความจำในอดีตความจำในอนาคตความจำในปัจจุบันก็ดีก็เป็นแต่สักว่าความจำใจก็เป็นของว่างทำก็เลยเป็นของว่าก็เลยวางกันไปในตัวไม่ได้ทำกิริยาท่าทางเพื่อจะวางพราะเรารู้ตามเป็นจริงแล้วมันวางไปในตัวมันมันก็ว่างไปในตัวเรท่านบอกว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างจะทำจิตวิธีไหนมันเป็นเว่างถ้ายึดถือว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ไม่ว่างดิฉัน ภาวนาไม่ข้ามเวทนาเลยปวดแข้งขาอะไรต้องถอนความเข้าใจใจผิดตามเป็นจริงค่ะเมื่อเธอรู้ตามเป็นจริงแล้วเข้าใจตามเป็นจริงแล้วความที่เธอยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้นก็หายไปนักเทนั่นเองวิญญาณปฏิสนธิของเธอก็หายไปณัก่นั่นเองไม่ต้องทําท่าทําทางไล่ตรงมๆเจริรีย ม, ม, มรอไม่ต้องทําท่ากิริยาวางดอกมันวางเองมัน ถ้ารู้เท่าตอนไหนไมั shops, นก็วางตอนนั้นถ้าไม่รู้เท่าตอนไหนมันก็ไม่วางตอนนั้นมันก็ไม่ว่างตอนนั่งผู้หวงพ้นทุกในวัฏสงสารเป็นผู้สร้างบารมีแก่ก้าวมาเลยผู้หวังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทมสมบัติอยู่เป็นลําดับไปก็คือผู้สร้างบารมีมาในขนาดกลางถูวงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติล้วนคือผู้สร้างบารมีมา ในเบื้องต้นผู้หาอบายเจือเมื่อเบื่อหน่ายมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัตินิพพานสมบัติเออ่พรสมบัติเหลือแต่นิพานสมบัติแห่งเดียวก็ผู้นั้นสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วเขามองดูโลกทางปวงแล้วไม่มีที่กินดีในโลกทางปวงเลยเท่ามะเร็งนาเพราะมีแต่อเนจจังไปตามอยู่ไม่มีสิ่งที่เจรังยั่งยืนเลยในวัฏจักรงสารอันนี้อันนั้น จิตของเขาอย่างถึงพระนิพพานแล้วถ้าภาวนาดีก็ต้องไปเห็นนรกสวรรค์สีเขาเห็นนรกเป็นอนิจจังเขาเห็นสวรรค์เป็นอนิจจังไม่ที่อย่างเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลก็เรียกว่าเขาเห็นสวรรค์แล้วก็เรียกว่าเขาเห็นนรกแล้วไม่มีกาลกางวันกังคืนเห็นอ น, นิจจังชัดก็เห็นทั่วโลกไม่มีกลางวันกลางคืนแชียแล้วเพราะนรกสวรร์มันมีอยู่ในโลกเมื่อเห็นโลก ชัดด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วความยินดีในโลกทั้งปวงก็แตกกระเจิงไปใ น, ในตัวพูดไปมากมันก็มีเท่านี้ไม่มีมากยะทาวาริวาฮาพูราปริภูเรนมิชาคลรามเอวเมวายโตชินังเปตานุปการปติมิชิตังปติกลางจงหังชุบเมวัสิมิชตุเทเพูเรนตูสังขปาจันโทนราโธยะา มิโชติระโทยถาเถีที่โวัชกันรัตตะปุโคลาโยตุโกโคลยนัสตุมาเทโหตันตระโยผู้ขีติคาโยโกโหอภิวาสนาสียตานิจังวิชาปิชาโนจตารุธมาวักันติอายุโนสุตังพระเป็นจะสักวารู้เป็นจะสักว่าเห็นพรอมทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยไม่ติดอยู่ในที่ใดๆด้วยไม่สังกันตัวอยู่ในที่ศูนหรือไม่ศูนด้วยท่านก็เข้าสู่อนุปาติเสสสัญญาอนไปซัก นั่นครมของพระลาว์เถ้าเป็นพระสวสดาบันก็ไปสุขติถ้าไม่เป็นพระสวสดาบันเลยก็ไปตามเหตุปัจจัยที่จะสร้างไวง้ถ้าเป็นพระสวสดาบันแล้วไม่ได้นึกอะไรก็ตามก็ไปสุขติมีชายคนหนึ่งไปกราบส่วนพระบรมศาสด า, ศาในเวลาผมไปเมืองสาเกตเมืองพาราณสีหรือเมืองใดเมืองหนึ่งแล้วค่ ไปเห็นรถมา้ารถวัวเขามาในทิศทั้งสี่คอยปรีกรถมา้ารถวัวเขาถ้าไม่ปรีกเขาก็ชนจริงๆพระเจ้าข้าแล้วก็ลืมภาวนาพุทโธไปซักกับผมตายในเวลา น, านั้นจะไปะเกิดที่ไหนพาาระรมันศ า, าสตราา บ, บอกว่าอย่าเลยอย่าเลยต้นไม้โตๆโตที่มันเอ็นไปทางทิศตะวันออกแล้ว ใครจะมาโค่นมันมันก็ล้มไปทางทิศตะวันออกนั่นเองชั้นใดก็ดีเมื่อจิตของ ล, ลูกหลานถึงพระพุะทธธรรมประสงค์แน่แน่นแล้วถึงจะลืมบ้างก็ไปสุขติท่านพูดอย่างนั้นเข้าใจนะทีนี้เพราะจิตฝังแน่นแล้วถึงจะลืมบ้างก็ไปสุขติเพราะมันเอ็นไปในทางพระพุทธธรรมประสงค์อแล้วเอ็งไปโน้มไปโอนไปในพระพุทธธรรมประสงค์ในพระพุทธศาสนาแล้ถึงจะตายในเวลาไหนจะไม่ได้สติ ก, ก็ไปสุขติท่านพูด ข้อมันฝังแน่นแล้วแผ่นดินน้าต้องแสนสี่หมื่นโยธเขาเอารุกระเบิดประมาณทําลายแต่จิตใจถึงพระพระทธรรมประสงค์ลึกไปกว่านั้นแน่นไปกว่า น, นั้นไม่ยอมแตกเลยถ้าเราสงสัยว่าคําสอนใดๆมันเหนือนคําสอนพระพุทธศาสนาอยู่การถึงพระพุทธประธรมสงค์มันก็บุร a l เลงถ้าเข้าใจว่าคําสอนใดในไตโรโลกธาเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของคําสอนพระพุทธศาสนาหมดเหมือนเข็มทิศเป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือหมดถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นแล้ว แล้วก็ไม่สงสัยเราก็ไม่สงสัยอยากจะถือรัฐที่อื่นศาสดาอื่นนั่งห้อยน้องคลองบึงบา ง, งต่างๆเทียบในทางลึกซึ้งก็ให้คํานึ่งในหลายทางน้ําห้อยน้องคลองบึงบา ง, งต่างไร่ลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวทั้นใดคําสอนใดๆก็ไร่ลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันน้ น, น, น, น, ฉ น, นั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกการเทียบในทางลึกซึ้งถ้าคิตใจยังสงสัยว่ารัที่อื่นๆคําสอนอื่นจะเหนือพระพุทธศาสนาขึ้นไปอย่างนี้ การถึงพระพุทธศาสนามันก็ไม่สนิทใครมาปั่นไปที่ไหนมันก็ไปถึงแม้ไม่มีผู้ปั่นมันก็ปั่นมันเองมันก็ไม่เชื่อในมันถ้ามันลงเอ่ยว่าคําสอนใดๆก็ตามเถิดเป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาทั้งนั้นละมาถ้ามันนึกอย่างนี้แล้วการถึงพระพุทธประมสงค์มันก็ไม่สงสัยนี่เอ้าทำเป็นโลกกระบางคุ้มครองโลกซองยางความละอายต่อบาปเท่านั้นความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ พระบรมาศาสีราตทุกๆพระองค์ยืนยันแล้วถ้าไม่มียอาอายตบามไม่มีความกลัวตาบามแล้วกฎหนไม้กฎหมูก้อนพักก้พวกหรือกดอะไรอะไรก็ตั้งไม่อยู่อู่ของทําให้ น, ำำหนําคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทําความช่วยในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับมีน้ำซ้าก็ทําในที่แก้งอีกด้วยนั่นพระอวดใจถึงคนเราใจถึงทุกคนแม่แรงวันมันก็ใจถึงเหมือนกันมันก็อวดใจถึงแมแรงวันมันใจถึงทางกินเจตโตะมันใจถึงทางกินมูดโคต แมลงพึ่งมันก็หัวใจถึงมันกันแต่มันจิ้มเจสอนดอกไม้นมันก็ว่าประชาธิปไตยมันเหมือนกันแมลงวันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยมันเหมือนกันนั่นประชาธิปไตยมันก็ต้องเลือกเอามันก็บอกว่าสังคมนิยมมันเหมือนกันมันก็บอกว่าโลกเขาพาเป็นเหมือนกันแมลงผู้แมลงผู้งก็บอกว่าโลกเขาพาเป็นมันก็บอกว่าประชาธิปไตยเขามันมันก็บอกว่าเป็นของชิปของมันแมลงวันมันก็บอกเหมือนกันแต่มันมีมันมีต่างกันมีผลรายรับต่างกันมีเหตุต่างกันมีผลต่างกัน พระพุทธศาสนาะไม่เป็นการบังคับให้เชื่อจริงอยู่ถ้าบังคับให้เชื่อมันก็ขบวัตคืนมันไม่เห็นเองใช่ไหมนั่นเอา้าถ้าเอาสมบัติพัฒฐานมาจ้างมันให้มันเลื่อมใสหมดสมบัติพัฒฐานวัตถุแล้วมันก็ขบวัตคืนใช่ไหมปล่อยให้เห็นเองปล่อยให้เลื่อมใสเองนั่นพระพุทธศาสนาะปล่อยให้เรามีสิทิ์เห็นเองเลื่อมใสเองนั่น ไม่ใช่พุทธศาสนาบังคับศาสนาอื่นๆเขาก็มีเครื่องรอมีเครื่องรอแต่ว่าหมดเครื่องร้อแล้วก็กบขืนอีกเหมือนกันถ้าเราเป็นนกเป็นฟ้าก็เป็นนกเป็นฟ้าที่ฉลาดอย่าไปตเบีดติดแล้วที่นายพานโยรยรอไว้เดี๋ยวเขาจะทุกหัวไปต้มแกงนักถูกไหมเอมอ พระพุทธศาสนาเป็นของสูงลูกหลานเอ๋ยผู้ไม่มีวัฒนาผู้บารมียังอ่อนก็บรรดาลมาให้เลื่อมใสผู้บารมีสร้างมาแต่พบก่อนมากแล้วจึงเริ่มใสพระพุทธศาสนาถ้าเราเริ่มไสพระพุทธศาสนาก็ขอให้ทราบว่ามันเป็นเรื่องบอกเราอยู่ในตัวเป็นเครื่องทดสอบอยู่ในตัวก็สอนแสดงให้เห็นว่าเราได้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วในพบกัอนก่อนถ้าไม่เริ่มใสในพระพุทธศาสนามันก็ไม่มีสิ่งที่จะสังเกตตนเพราะมันหนาเกินไปอืม เราสอแสดงให้เห็นว่าเขาเรื่องสายพุทธศาสตร์ชนะไหมถ้าเขาไม่เรื่อใสาพุทธศาสตร์นะเราก็เห็นภูมิจิตภูมิใจเขาอยู่ในระดับใดใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นเขาจะไม่ดูตัวเขากระทำนี่ไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างทำไม่ใช่พูดเข้าข้างตัวเพราะพันธุศาสตร์รัฐเพราะเราไม่ยืนยันนาพระธศาสตรนะเป็นของเราคนเดียวแต่ว่าเราพูดเข้า <S <S ข้า ง, างตัวก็ไม่ได้นั่นถือเป็นของกลางเรียกว่าธรรมะเป็นของกลาง สิ่งไหนที่มันดีเราจะมาให้คะแนนชั่วมันก็ลําเอียงสิสิ่งไหนที่ชั่วเราไปให้คะแนนดีมันก็ลําเอียงใช่ไหมลาเอียงเพราะความความรักใคร่กันเรียกสันทาคติมันจะทำเหตุสักเพียงไหนก็ตามเพราะรักมันนี่เขาเรียกว่าสันทาคติลาเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสาคติมันจะทําถูกสักเพียงไหนก็ตามเพราะดังเกียรมันเขาเรียกว่าโทสาคติลาเอียงเพราะเขาเรียกโมหะคติเพราะไม่สามารถระงับสิ่งเหนั้นได้เอ้ยเอ้ยเอ้ย เอ้ยเอยเอ้ย อ, ย อ, ย อ, ยอยไปจากพระพุทธศาสนาฝ่าบรลบล่อฝนบาตก่าบล่งฝนมาตกตามระดูการค้นวิดเบือนจากพระพุทธศาสนาพาะนนนนระพุทธศาสนาเบาเนี่ยมณฑีอยางอื่นเนี่ยจีคนเป็นดูของกระ่าต้นชาลกอยู่ห่างเหม น, านจากศิลธรรมบิเดเบือเบือนในพระพุทธศาสนาฝนบาตกตามระดกูการคนว่าฝนเป็นน้าท<บ>ัดโกไหม่ลำธารแล้วสัมชแร่ไส้มันตกหยั่งฉันมันมีโกงใหม่จากตนบอ นังอกครกวนทงม่นมันกับว่าตกดิสันนสภาทตกแต่ว่าก็ไหมยย่ยุ่นนะหรือว่าของสนมีมันแฉ่งด้วยกันมันี้วันมีก็ไหม่ของว่ตกได้แ บ, บ, บ, บ, บ, บ่ว่ตกแต่ปลาเห็นว่าพลาดเหมือนกับ่บอกขอันพวเสื้อห่อพวเสื้อห่อมตายห่อพระพิเบื่อจ่าขุนพุทธศาสดินาออกมาบอกนี่วนันมันแมนมาบอกรอวาเนี่ยวันบมแมนก่นส อ, อนในไทยรักษาออแลมันชะดีทอคาสอนพราปจจห่อคำสอนในไทยรักษาไมามีอะไรจะยิ่ง ว่าคําสอนในพุทธศาสนาหรอกมันเป็นเรื่องขืนคําสอนในพุทศาสตร์นื้อว่ารู้ตัวโกบเลือกนาย ะ, ะเอาคําสอนมาปกคล้องหาน่ายมาปกคล้องป้องกันตัวไว้มันเป็นเรื่องกบเลือกนายยังมีครบปรงหนึ่งอาศัยอยู่ในบุงใหญ่อยู่ว่ากบพรันั้นอยากจะหาหน่ายปกครองป้องกันตัวแล้วก็ร้องแกเิเทวดาเทวดาจิ่งค้นน่ายลงไปเสียงดังสะท้าน ไม่กบตื่นตกใจมีกบกลาดด้าตัวหนึ่งวายหน้ามองมาแล้วเห็นก้อนไม่ก็ดีใจขึ้นไปงอยอยู่ที่บนนั้นขึ้นไปจับอยู่ขึ้นไปขี่อยู่บนไม่กบทั้งหลายก็ไปขี่ด้วยอยู่ไม่อยู่มยมยมยมไม่เนี่ยว่าไม่จะจร้อยน้ามันซือไม่ปญัญญาสอนเทาหปหากบตัวไม่มาถอดอสังเที่เวลาเห็นพวกง้เขาของกบกบทั้งหลายปล่อยนกเขียนลงไปนกกรสานเจ็ก ก, กบกินมือแล้วตัวสองตั ว, ต ว, ต ว, ตวแล้วกบมดกบุูงหนักอันนี้อ่ะ อยู่ในโฮเอาโฮมพุทธศาสนาดีๆประวิตเดือน พ, พุทธศาสนาเก็บหายอะไระเห็นบมดประเทศสถาบาันเมืองตอนพกข้องเ้องซึ่งกันสถาบันห้องกันพวกข้องวกเพือนห้อกันชีวังเอาเอาใบบอกว่าพวกข้องบ้านเนี่ยนั่นแหละเป็นจะรบรรายถือไหมเอาเงินเล่นเงินสัทดาหมาบําบัดลูกเต่าั้านเลเนยมันเจริญเนี่ยน่เนการบรรายเนให้เสียให้เลยหน้าเสียหน้าเลยไม่ไม่เฮ่อนั้นสามัน ทีดินมันใหม่ไม่ใหม่เรียกไม่าไม่ัดที่ดินไม่น่า อ, อ, อดอดของแขนกองค้ายังไม่ไมัดอดรอดใหใหม่ให้ใหม่หน้าใหม่หัวไมสวนมาเฮียนใหม่ก้านอันนี้อไปจำนองอันนี้ออกไปจำนองอนะสิหลุดน้อ ง, องคุณจะพืชจพืชเสืของเมือกี้คือจดหูหูยกขึ้นปูนี่จะปูนก็นยังมีที่ดินอยู่ที่รอที่น้าอุ่นมบ น, บนุษย์จะแฉว่ามีที่ดินอยู่นั่นทาเป็นโรบาลคุ้มครองโรคสองอย่าง ควมน่าอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองลงได้สองขอท่านละคณะมีสองขอน้านเลยเพียงลูกบะเมิดปรมานูมันกับโอยุมีเทียนเวนียนสนองเวนีนไพ่สนองไพ่เห็นแลสั่นพระพุทธเจ้ายึงไม่สินหาไว้สินหาอีกเดี๋ยวเขาปดเวนเด้นไพ่เลยมของเล็กหน่อยเลยสินหาเนี่ยสินหาเป็นสินปลวเวนีนปดไพ่เลยสินหาเป็นสินตัวสุดาบัน เ่เชื้อได้อยากรวงละเมิดสินหาเมื่อเสียดอยากรวงละเมิดอบายมุกเมื่อเชื้อได้อยากถือศาสตาอื่นมมนก็เป็นสุพัชโนเมืก็เป็นพระสวัดาวันเนี่ยเป็นปันที่โตลมาวาสังเป็นมันทิดเป็นผู้ครองเรือนก็คือผู้มีสินหาเนี่ยอกท่านว่าส่วนสินผาหน้าค้ามีมันสินแปดเมื่อเชื้อได้อยากรวงละเมิดสินแปดมันสินผ่าหน้าข้ามีเมื่ออยากรวงละเมิด เียย้ยนองรอยเยสุเก็บารีบูนมันเี้ยพระอรหันนั่นวันทั้งนี้ไปซี่ทั้งคางวันวายเศร้าโลกทั้งตัวคอยเป็นผู้สละก็พระพุทธศาสนามืไปว่าหลอดเลยอ่ <c oughs> ะับสาเทมนุษย์สานั่งนผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเต็มพู่มเลเคสอนของพระเจ้าอบายโมกขมันก็เป็ น, นว่านุตริบัตอสกคักหนึ่งเอ า, าเมื่อยังเมื่อจะผะนมขมองฮอลนจะคอง ไปส่งเสริมเล็กพาวัตเบอร์เขาแล้วมันบวดจินที่แตกเียงสู่เขารักษาสิ้นหาเมื่อไรงั้นจบพระไตยพิล็อก皇านคุ่งงอนผมก็ร้องมื่อกันทอนไปว่ารอดนุ่งหน่อยหฮมหน่อยพวกนึงอืมคว่ า, าบูชาพระพุทธศาสนาบุคคลท่านไม่ในประเทศไทยเท่าของเงินสดแต่การธรรมะหาอย่าเยงเช ก็ยังไปพ่ถึกพระเน่นก็ได้ญาติโน้มก็ได้ถ้าเน่นก็ไปพ่าถึกผลเพื่อหาเรียกไหลผลมาขาย